ขอกราบสวัสดีท่านผู้รัฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปุรุทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันร้อยสี่สิบเก้ารายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปุรุจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้มีการสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบปุรุเป็นผู้ดำเนินรายการครับเช่นเคยครับวันนี้ทางรายการการพัฒนาพระเดชพระคุณพระเทพยิ่ลกวัดบวรนิยมพิมพหายพิมพ์มีคตอบปัญหาธรรมะครับ หมายเโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315มีสายแลกมารออยู่เลยนะครับสวัสดีครับแฟนรายการครับวันนี้กำลัเรียนรูกควรท่าชุมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอินเดียนะครับครับเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่นะฮะปรากฏว่าชาวอินเดียนับสิบล้านเลยครับผ่นมานับถือต่อพุทธศาสนานะฮะเพราพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกกันทัรหรือคนชั้นต่าสุดนะครับนี้ปรากฏว่า มีท่านดต็ตรท่านหนึ่งผมจาชื่อท่านไม่ได้นะเมื่อห้าสิบปีที่แล้วน่ะท่านท่า น, านหันมาถือพุทธศาสนาทีนี้อยากจะกถามเรียนถามท่านว่ า, าศาสนาพุทธในอินเดียขณะนี้เป็นอย่างไรครั บ, รบเพราะว่ารู้สึกว่า <c oughs> ผมผมฟัง BBC บีบีซีเมื่อสองวันที่แล้วนะฮะเกี่ยวกับชาวพุทธนี่แหละอาจารย์ทานที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเป็นชาวนาครับคู่พวก ที่ฉันวันะสูงกว่านะฮะถ้าตายทั้งครอบครัวครับเพราะฉะนั้นจะดูลังแกอย่างไรอาจารย์จะคุณมีข้อมูลโทรมาช่วยเราได้ทราบด้วยครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับอฟอนคือศาสนาพุทธที่จริงมันไม่ถึงกระหมดพีเดียวหรอกนะมันยังอยู่กระจัดกระจายโดยเฉพาะพวกจุลบารัวเนี่ยก็ยังนับถือสืบต่อกันมาจุลสากิยะหรือพวกสาเกเนี่ยก็หลายพวกอย่างนับถืออยู่เนี่ยเดี๋ยวรับการฟื้นฟูโดยด็อกเตร์อัมเบก้า อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของอินเดีย oh, oh, oh, oh. แล้วก็เป็นคนร่างรัฐมนูลสมัยท่านเนรุหะก็คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพวกวันนะสูต ร, รก็เรียกว่าพวกหาดิจันคือลูกพระเจ้าก็มานัถือเวนี้มันมันถ้าพูดถึงนับแล้วมันมันก็มีทุกวันนะ่ะนะครับ็นทุกวันนะแต่ว่าเออพวกนี้จะไม่ค่อยแสดงตัว เราสามารถไปที่บ้านเขาแล้วก็ดูที่บูชานี่ดูได้ฮะ<อ>บ้านไหนที่พุธรูปอยู่เหนือคนอื่นก็แสดงว่าทับนถึงพุทธแต่ว่า อ, อที่ที่เอามาไปอยู่เนี่ยคือถ้าเดินสวนกับท่านที่เป็นอาจารย์ท่านท่านมองซ้ายมองขวาถ้าไม่เห็นนักศึกษาแขกท่านก็ยกมือไหว้ครับแต่ถ้าหากว่าเห็นท่านก็ พันสงบศีษสนิดห oh, น่อยนะมันมันเกี่ยวกับสถานะทางสังคมเขาครับไอ้ส่วนความรุนแรงอย่างนี้มันก็มันก็ธรรมดานะฮะคือคือโยมอาจจะรู้เรื่องพุทธแต่ยิ่งฮินดูกับอิสลามเนี่ยมันรุนแรงกว่านั้นนะออืฆ mm hmm. ่ากันตายทีสี่ห้าสิบเป็นร้อยก็มีครับเล่นกันแรงมากคือคือทางทางอินเดียอย่างอย่างแรงโดยเฉพาะยิ่งคือสองศาสนา น, นี้ทะเลาะ ก, กันเรื่อยครับ อิสเอยินดูเขากรแรงนะอินดูกรแรงอิสลามเขากรงครับงินก็คนเยอะฮะก็ทุกทุวันยังยังนึกว่าประมาณสักสามสิบล้านอาจจะกว่าแล้วนะฮะตอนตอนนี้ขยายไปเร็วมากอ่าฟ้าที่คุณใหญ่ครับแล้วอย่างจีนนี่เราถือว่าเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาก็จีนกลับมาเยอะมากกลับมาเยอะมากเลยนะกลับมาเยอะมากเอามาเคยไปจะไปไหว้พระโดยการเนี่ยคนเป็นหมื่นหมืนน่ะมาเพื่อจะกราบพระเนี่ย ครับผมมาที่ได้กราบองค์เดียวคือพระเอ๋หินอ่อนครับกินขาวแบบพระมาครับเพราะว่าเราไปช้าอืดเน่านั่งข้าวไม่ได้เลยครับคนมันนั่นจริงๆเลยครับเดินเหมือนกงานใหญ่เพื่อจะมากราบพระนั่นเพราะว่าจริงๆเขาก็คือพุทธอ่ะครับมันถูกปกครองในระชที่ขอบมนิสแต่ทีนี้มันคนขอบมนิสมันก็มีประมาณสักยี่สิบล้านสี่สิบล้านฮะสี่ิบกว่าล้านดังนนั้นเด็ ตอนนั้นเขาก็ยังเป็นเป็นนับถือศาสนาเได้ร้อยครัไม่มีปัญหาอะไรครับขอบคุณเจ้าพนักงานขับสายที่สองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับบองการพัดใจด้วยนะครับสอบถามได้เลยครับอบางปีครับครับอยากเรียนถามว่าพระโสดาบันเนี่ยรับอะไรได้บ้างแล้วครับแล้วก็ที่ยังรับไม่ได้มีอะไรบ้างครับมีคําถามเดียวนะครับครับกับรับฟังทางวิทยุนะครับ อาจาัย์ครับอยากทราบว่าเทปบันทึกเทปเอที่มีการตอบคำถามหรือวิจัยพสูตรเนี่ยมีที่มหาลัยศิริประทุรือเปล่าครับอ่อเรื่องเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่ออกอากาศเนี่ยฮะที่วิจัยเกี่ยวกับพสูตรต่างๆนะเป็นเรื่องพสูตรที่ท่านทุกอาจารย์ตอบแหละครับครับครับผมเดี๋ยง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังทางวิทยุนะครับครับครับผมเรื่องและเรื่องโสดาบันต้นระโสดาบันในละสักกายทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัอตัวถือตนเป็นเราเป็นเขาพวกเราพวกเขาและวิจิกิจฉาคือ ขาจัดความสงสัยในพระตนตรัยได้ในใจสิขาได้ในกฎของปฏิจจสมุปาฏได้แล้วก็ไม่ถือมั่นด้วยรูปแบบพิธีกรรมขังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่เขาเรียกกฎสิพรพัตตปรมาตก็ทั้งละได้สามอย่างนอกนั้นพวกกามมาคะความกรหนัดในทางเพศก็ดีปฏิฆะความไม่พอใจคือไม่ถึงก็โกรธหอโกรธท่านท่า น, ท, านท่านละได้แล้วแต่ว่า แล้วก็ความยึดติดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เป็นนามนธรรมแล้วก็ความถือตัวความพุ่งสัน้น อ, าอาวิชชาที่ยังละไม่ได้นะยังละไม่ได้เพราะว่าพวกน้นมันเป็นระดับพระนาคามีกับพระอรหรันต์พระสักทาก็มีก็ยังละไม่ได้อีกเจ็ดอย่างนะฮะ <c oughs> ท่านได้ละได้สามอย่างก็คือสังโยชน์สังโยชน์กิเลสประเภทโมหะหยา บ, บสมรับเขานะฮะหมายความละเอียด ละเอียดต่อละเอียดเนี่ยหมายความก็อยู่ในประเภทใหญ่ใชครับถ้าอยู่ต่างครับเรามีแฟนรายการแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกหลายมหาวิทยาลัยโทรไปที่มหาวิทยาลัยอะครับถามว่าที่ท่านทอาจารย์บรรยายเรื่องพระสูตรต่างๆเนี่ยที่วัดมหาธาตุมีจําหน่ายไหมอาจารท่วกับที่ที่บัตบอมีจำหน่ายหน้าวัดฮะหน้าวัดมีจําหน่ายมีจำหน่ายนะครับก็มีโยมอะไรอะหมอหมอหมอเอกหมอเอกชัยเนี่ยก็ทําครับ ทำเผยแพร่จําหน่ายก็ก็เอาค่าจําหน่ายมาต่อเทพอะ่ะต่อก็ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้กําไรอะไรหรอกราคาไม่กี่ตังค์อ่ะไม่รู้สึกจะสักเป็นม้วนทุกวันรู้สึกจะมีซีดีแล้วนะมีดีีลนะนะมนะโยงคนหนึ่งทําไหม ค, ครับใครทีนะ่้ำลังยังไงแฟนรายการหรือนักศึกษาระดับปีโทปีเอกนะครับที่ศึกษาด้านพุทธศาสนานะครับสนใจก็เชิญได้ที่หน้าวัดบวรเลยนะครับก็มีจําหน่ายอยู่นะครับขอสายที่สามก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ ครับท่นผ้ครับครับสอบถามได้เลยครับครับถามเการทุนคุณกันะครับครับคุณผมอยากจะสอบถามว่าเอทําไมอิทธิการทางโลกมักจะถูกคนที่อยหลังหาทิดคดีคิดค้นมาหากล้างได้เสมอเสมอ ค, คนที่จริงที่สุดมักจะเป็นคนที่ หักล้างทฤษฎีเก่าของอา จ, จารย์รุ่นเก่เาได้สําเร็จหรือแล้วแต่ยาบางชนิดยิ่งเคยชินจนวิบีสุดกับถูบหกหักล้างด้วยยาชิ้นใหม่ๆขึ้นมาอีกน ะ, ะครับและอีกส่านหนึ่งผมเองก็อยากจะเหน็นว่าจะมีใครสเสนอทฤษฎีใหม่ๆที่ว่าที่จะหักล้าง เป็นิดพอเตียงได้แบบมือเปล่าครับงไม่มี <c oughs> อะไรนะครับขอรับฟังทางวิทยุนะครับคร <c oughs> ับผบครับอคือโลกมันต้องก้าวหน้าศึกษาค้นคว้าไปนะฮะ <c oughs> วิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สมบูรณ์สังคมาศาสตร์เองก็มันเป็นเรื่องอดีตอ่ะครับมันเป็นเรื่องอดีตเพราะงั้นข้อมูลมันหายไปกับอดีตครัคนรุ่นใหม่ก็ค้นไปวิจัยไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ปรากฏว่ามันดีกว่าครับ ก็มีการเสนอให้เป็นทางเลือกอย่างเนี้โอย้ยงเวเนี่ยเราก็เริ่มกลับมาสู่ยาสมุนไพรครับก็เรียกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกนะยาสมุนไพรเนี่ยเป็นยาประเภทบำรุงแต่ยาขลังนี่ยาเป็นยาประเภทบำบัดดังบัดก็ไจะต่างกันฮะบำรุงนี่จะหายช้าแต่ว่าแข็งแรงครับบำบัดนี่จะหายเร็วแต่ว่าไม่ค่อยปกติครับก็ก็ต้องว่ากันเรื่อยเรื่อยครับ ดังนั้นมันมันก็เป็นเป็นทางเลือกเวลานี้คนไทยก็เริ่มกลับครับส่วนส่วนแนวนคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอ๋อแ น, นวแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมันมันไปหักล้างไม่ได้หรอกรแต่ว่าอ อ, อกิเลสมันเอาชนะได้คือหมายคมว่มกิเลสไม่ยอมไม่ยอมเอาอะ่ะครับมันมันจะรวยมนะันอ่ะครับก็คนที่ที่รู้จักพอเหมาะพอควรพอประมาณ นะสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้แต่ว่าเอคนส่วนใหญ่มันโลภอะครับโลภโกดหลงก็มันอยู่กับโลภโกดหลงเพราะงั้นท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตอย่างนี้ถ้าเราดึงคนกลับเข้ามาหาตรงนี้ได้มันก็ยอดเนี่ยครับผมแต่ว่าจะส่วนน้อยนะฮะส่วนน้อยเราแก้ฐานรากให้ได้ก่อนอะไรครับเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงส่วนระดับใหญ่ๆก็อีกว่าอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับ ครับขอบคุณเจ้าคจครับสายต่อไปครับสายที่สี่ครับสวัสดีครับกราบรัการท่านคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับขออธิขออนุโมทนาบุญที่ท่านให้สามารถเป็นทางทุกครั้งที่มา我都ตื่นใจนะฮะให้ขอกราบรัติการท่านถามปัญหา่ึงนี่ข้าในสมมาลพุเจ้าตัดได้ว่าทางสายเอกของการมรรลุพัะอริพานก็คืออยมรั จะปฏิบัติยังไงนครับล้อกข้อนี่นะฮะ่านเนี้มีสถานีสถานีทรทัศน์สถานีหนึ่งนะฮะที่ชอบทำร้ายตศาสนาในการนาเอาภาพของบุคคลที่ไม่ได้ใช้พระแล้วก็เอามาทำร้ายศาสนาอย่างนั้นนะครับีว่าจะมีทางแก้อย่างไรชื่อานนี้นะครับกรบรอบกรอบไอ้ไอเลยฮะอ่้เลยแล้วฟังาดีนะครับครับกรอบมากุดมากครับ คือคือคือที่ริงก็ก็แปลกนะก็ก็ก็บอกว่าคนปลอมเป็นพระแต่แต่ว่าทุกคำที่เขาใช้เ็ใช้เป็นพระหมดเป็นพระหมดนยครับแล้วเสร็จแล้วเ็าก็มาสรุปนั่นแหละเป็นคนปลอมเป็นพระแต่อย่าลืมว่าการพูดเก่าๆเนี่ยมันมันมันมีคำซ้ำมากกว่าครับแล้วก็มาพูดสุดท้ายว่าปรากฏว่าเอ้ารู้ทีหลังว่าปลอมบวชครับแล้วแกก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับ พวกนี้ยมาเองยังยังไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนกันนะฮะว่าก็าเขาเขามีความคิดอย่างไงก็ปล่อยก็ไปตามกรรมนะฮะประสบผลกรรมเองอ่ะแต่ว่าสัมมาชีพระามไปไม่รอดนะฮะครับเดี๋ยวก็ออกนี่ก็ทางอะไรอ่ะสอน อ, อปออะไรก็เรียกเป็นกี่แสนล้านอ่ะใช่ครับอะไรนะก็ที่สองทางอาริยมรค อ, อ๋ออริยมรคก็คืออะไรมรคนะโยมคือคือโยมต้องต้องเข้าใจว่าธรรมะปฏิบัติทั้งหมดที่ปฏิบัติเนี่ยมันรวมอยู่ที่อริยมรคนั่นแหละ ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองมาความมาเราก็อะไรล่ะคือไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายเอาไว้ให้ให้ขนาดไม่กล่าวร้ายไม่พูดพูดง่ายกว่านั้นเดียวคือทําดีพูดดีคิดดีดีพูดดีคิดดีพอแล้วนะก็เราก็อยู่บนเส้นทางของอริมาร์ทีนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมันคล้ายๆกับเรารับประทานของพออร่อยแล้วเราจะรับประทานเอง ครับเนะี่ะจะรับประทานขึ้นมาเองธรรมะขอให้ได้ลิ้มรสก่อนขอให้ได้ชิมก่อนแล้วจะแล้วจะจิตมันจะไปเองครับจิตจะวิ่งเข้าไปหาจุดที่สมบูรณ์เองผ่อนก็ข้อข้อจำการว่าให้เริ่มต้นได้ได้แต่ข้อก็ได้ให้เริ่มดีนหนก็ได้ครับผมครับขอ บ, ค, บคุณที่กดแจ้งครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับอ้าสวัสดีค่ะแล้วมาตรดตามพระคุณเผลอพระคุณได้ค่ะ อันนี้ไม่พี่ฉันเป็นแม่ทีนะคะแต่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือะค่ะแบบว่าได้แต่ฟังธรรมะอ่ะอีนี้ไปช่วยงานเขาว่น้แบบทำอาหารเนี่แล้วเขาหัวหน้าเขาว่าบอกว่าบวชมาเนี่ยเรียนก็ไม่เรียนแต่แม่ทีไม่รู้หนังสือได้แต่ฟังเนี่ยแล้วถ้าทำอาหารใม่ก็ทานน่ะเขาบอกว่าบวชมาก็ทําอาหารอย่างเดียวแต่ลูกทีนะคะก็บอกว่าแม่ไม่ต้องเสียใจนะ ทุกคนเนี่ยไม่ว่านักปฏิบัตินักเรียนน่ะถ้าไม่มีอาหารของแม่เนี่ยอยู่ไม่ได้สักคนเดียวแต่แบบนี้ฉั้นทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าชันี่ใส่สันเสียงไปจะบาปไหมคะครับผมแม่แม่ชีอยู่จังหวัดอะไรครับนครสวรรค์ค่ะฟังชัดเจนเลยนะครับที่นครสวรรค์ครับค่ะครับผมรับฟังพระเดชพระคุณทางวิทยุนะครับขอบคุณค่ะจังหวัดลค่ะ ก็ไม่เป็นไรเนี่ยโยมเราก็ปฏิบัติเป็นแม่ชีเรารักษาศีลสิบส่วนหน้าที่มันก็เน้นไปในแต่ละสายครับนะขวัญศึกษาก็ศึกษานะธุรการก็ธุรการไปครนะทำอาหารก็ทำอาหารไปสมัยพระพุทธเจ้าก็มีพระพวกเป็นพระตุเทศนะฮะพวกแจกพัดดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารดูแลเรื่องโรงครัวเรื่องเก็บสเสบียงอะไรตะ่อเลยมันมันมันสังคมเนี่ยฮะโยมต้องมีดังนั้นแหละ แน่นจะอยู่ได้ไงเระและนี้ก็เป็นเป็นบุญเป็นกุศลเขาเรียกว่าเป็นเว ย, ยาวัจจะไ ม, มคือช่วยเหลือ<ม>ขวนขวายในกิจการงานที่เหมาะที่ควรแล้วเราก็มีกุศลเจตนาเพิ่มขึ้นก็เป็นบุญเป็นกุศลนะอาจจะดีกว่าผูกที่ด่าแม่จีเองก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่าด่าเป็นแม่จีทุจริตเนี่ยไม่จีไม่จีจะไปโต้อตอบเขาก็และการปล่อยเขาไป เอ็นที่ลูกชีพูดนะถูกต้องแล้วกระดาผ่ น, นครับขอบคุณประเด็มคุณครับสายที่หกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคูณนันท์อาจารย์และพ่อาจารย์นะครับผมไปขอถามศาสต์หน่อยนะครับครับเจอกเลยครับเออข้อที่หนึ่งนะครับคือว่าสิบแปดเนี่ยอสิบหัวศพนะครับไม่ทราบว่าพ่อด็บผู้ชายแปดต้องลูกสาวได้ไหมฮะเวลาอยู่ที่บ้านอ่ะครับครับผม มีข้อข้อที่สองเลยนะครับข้อที่สองคือว่าเเราต้องเรารักษาเราต้งเน้นอารมณ์เรืออารมณ์วันี้แตกต่าเกับสินค้าหรือเครับอ๋อเน้เรื่องครับวันนี้สองสองข้อนะครับครับแล้วฟังจากพี่ยุ้นะครับครับครับผมพ่อแต่ตรองคือศีลเนี่ยมันห้ามเฉพาะเฉพาะที่ที่กายกับวาจานะโยม แต่ทีนี้ศีลข้ออภรรมในศีลแปดกับศีลบวสุสของโยมเนี่ยเขาเรียกอาคาริยวินัยอาคาริย <นะ S 1> วินยนะัยของชาวบ้านของผู้ครองเรือนเพราะงั้นแม่ก็อุ้มลูกชายได้จะต้องลูกชายได้พ่อก็จะต้องลูกสาวได้ข้อสําคัญเขาห้ามเรื่องมีการเพศสัมพันธ์แนั่นเองอนะเรื่องอื่นก็ไม่ห้ามหรอกรทีนี้บางทีเราก็ไปอธิบายกันจนทําให้เกิดเครียด ทำให้เด็กเกลียดศาสนาไปนะกุญยายเมื่อเช้าไปวัดดีๆอย่างเนี่ยพอมาถึงลูกหลานเข้าใกล้ตวัดแปดแปดแปดแป ด, แปด <c oughs> อแล้วเด็กเกลียดวัดไปเล ย, <c oughs> เลยครับ <c oughs> คือจริงๆไม่ใช่ฮะคนละวินัยกัน <c oughs> สีนมันชื่อเหมือนกันแต่ว่าวินัยคนละระดับกันครับอันนี้ก็เรียกอาคาริยวินัยของ <c oughs> พระนะคืออาาคาริยวินย <c oughs> ัยอพระเนรจะต้องเพศตรงกันข้ามไม่ได้พิสุนีก็เหมือนกันนะจะเพศจะเพศตรงกันข้ามไม่ได้ เดวโยมเป็นเป็นผู้ครองเรือนนะฮะมัน <Okay. S 2> ก็จับต้องได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเรื่องการรักษาอารมณ์ต่างกันนะฮะสินท่าหรือสินท<ม>ก็ที่จริงคือคือระดับศีลเนี่ยมันจะต้องพยายามข่มความรู้สึกมันก็เหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> สีนท่าก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็ต้องข่มความรู้สึกตัวเองเอาไว้ไม่งั้นก็ไปไปไ ป, ไปล่วงละเมิดก็ เ, เรียกว่าการสํารวมระวงังการงดเว้นจนถึงไม่ล่วงละเมิด คราะงั้นไอ้ตัวสํารวมระวังเนี่ยสํารวมระวังด้วยสติสํารวมระวังด้วยความรู้สํำรวมระวังด้วยขันติครับเนียก็แล้วแต่แต่สํารวมระวังอินทรีย์คืออย่าให้จิตเกิดยินดียินร้ายครับมากเกินไปครับผนะครับขอบคุณครับ022413315นะครับสายที่มารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีคำถามจากทุกคนนะครับเกี่ยวกับพระอุบาลีตอนสมัยที่ท่านจากถิ่นสุริยามาแล้วไปบวชให้กับ สามมเดงโสระนางหรืออะไรเนี่ยที่ได้ต่อหลังท่านจะเป็นพระสัราชของศรีรังกาะะระอยากจะทราบประวัติเพิ่มนิดหน่อยครับได้ครับลำฟังทางวิญญาณครับสวัสดีครับครับพระ อ, อุบาลีรครับท่านครับประวัติประวัติไม่ค่อยมีพิสดารน่ะนะฮะคือสรุปว่าท่านก็เป็นพระเถระรูปหนึ่งแล้วคณะสงฆ์ทางรังพระเจ้ากิติเสีราชศรีรังกาก็ติดต่อ ข, ขอคณะสงฆ์มาสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ก็อยู่วัวบรมโกศก็ส่งพระอุบาลีกับพระอริยมุนีให้เป็นหัวหน้านำพระพร้อมด้วยสามเณรอุบาสกไปกันนะไปไปที่จริงไปชุดแรกไปชุดถึงแล้วฮะแล้วก็เรือเกิดล่มเกิดตายก็ไปชุดที่สองแล้วก็ไปจัดการบวชกุลบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสามเณรสรนังกรแล้วก็พอบวชเศร็จพระอริยมุนีทั้งก็กลับ อุบาลีทั้งมาอยู่ที่นั้นเวลานี้ก็มีอนุสาวรีมีรูปเคารพมีที่บรรจุเจดีบรรจุอันธิอยู่ก็ถึงก็เป็นบุรพายา์ใหญ่ของลังกาก็ประวัติเนี่ยมันมันก็คือพระองค์หนึ่งอ่ะก็นิมนต์ไปก็นิมนไปก็นิมนพระจากวัดนั้นก็เหมือนก็ไม่ให้รายละเอียดอะไรอ่ะก็ไม่ได้เล่าภูมิหลังว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะมันเป็นเรื่องของลังกา เรื่องกำลังกาที่กบันทึกไว้สมัยพระเราก็ชื่อเมืองกันิมนตพระกรพระขอเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรอ่ะครับครับขอบคุณท่านควจะกครับสายที่แปดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอเรียนถามเลยนฮะครับเสดจครับครับอันเรื่องเจบมาจากเกี่ยวกับเรื่องศีลเมื่อกี้เนี่ยนะครับครับมีคนเป็นอันมากที่สอนต่อกันมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กขึ้นมาล่ะว่าศีลคือข้อห้ามทําคือข้อปฏิบัติ จริงแล้วศีลไมเ่เคยขอห้ามทังในระดับชาวบ้านก็คือพ่อพึงควรละเว้นใช่ไหมครับแต่เขาไปไปห้ามคือการห้ามเนี่ยาศาสนาที่สอนผิดไปเลยค <c oughs> ือเป็นห้ามมันห้ามไม่ได้พ้วยไปไปมนุษย์เป็นอย่างนั้นเขาเขาก็ดูถูกวา่าทำไมขนาดห้ามแล้วแต่สาวสาวผู้ดญิงยังยังทําอะไรกันอยู่อย่างนั้นอ๋อครับแล้วไปตีไปตีความยุทธิกนะฮะครั บ, รบแล้วอ่าแล้วอีกอย่นหนึ่งคือขอ้ขอทำคือข้อปฏิบัติเนี่ย ทุกันเนี่ยนยังเข้าใจนะบะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือว่าโอ้โหจะต้องไปศาสนพิธีจะต้องไปทํานุ่นเท่านี้เข้าวัดเข้าวะวามจริงเนี่ยธรรมะเนี่ยเริ่มจากที่หายใจเลยใช่ไหมครับจากตัวเองนี่ออกไปใช่ไหมครับงั้นเราฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์ทางวิเชยุนะครับครับผขอบคุณมากครับคือคือศีลไม่มีคําว่าห้ามนะฮะทั้งพระทั้งการว่านั่นแหละไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีคําว่าห้ามเป็นบทบัญญัติ ที่ให้เราตั้งใจงดเว้นสำรวมระวังเอาเองคิดเราเองไม่เมื่อไม่ล่วงละเมิดเองแล้วก็รับผิดชอบเองเ อ, อทีนี้อะไร อ, ะ อ, อ๋อธรรมะธรรม ะ, มะไม่คือธรรมะที่จริงมันมันมันเป็นวิถีชีวิตอยู่ครับเป็นวิถีชีวิตเราทําหน้าที่สามีพัญญาทําหน้าที่นะครัาาบรถอย่างมีสติผููจาไปร้ออ่อนบานมันก็เป็นธรรมะเรื่องนั้นนะ่ะ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจดีว่าธรรมะล้วนๆมันหมุนไปกนะารเคลื่อนไหวของมนุษย์จริงๆเป็นธรรมะล้วนๆกายของเราที่เราเดินไปเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนธรรมเราเดินเรียบร้อยก็แสดงว่าจิตใจเราเสงบมีกิริยามันาติดีคนอื่นยึดถือเป็นแบบก็ดูเป็นความสวยงามนะเดินหยาบ ไม่ดูหัวคนอะไรตไรเนี่ยก็คือ น, นิสัยไม่ดีคือคือที่จริงมันมันเป็นเป็นธรรมะล้วนๆก็เรียกว่าสุทธะธรรมมาปราะวัตตันติธรรมล้วนๆมันหมุนไปเพราะฉะนั้นทุกคนปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแหละแต่ว่า ปฏิบัติได้มากหรือได้น้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งสังคมไทยไปยึดติดในรูปแบบว่าถ้าเข้าต้องปฏิบัติธรรมแล้วต้องแต่งชุดอมอซอนคือไปเอาอะไรเป็นอย่างไหนไม่รู้ะครับแล้วเอามาว่ามันสอนกันกันยุ่งยุ่งเรานึกถึงว่านางวิสาขาหมหาปสิกาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาประดับเครื่องระดามหาปราศาสตร์ราคา27ดโกระ เรานึกดูเกาววาขนาดไหนเาวอาขนาดไหนขายแล้วสร้างวัดได้วัดอย่างก็ไม่ได้แปลกอะไรคือปกติภาพปกติภาพทีนี้เราอธิบายกันโดยไม่ได้ดูที่ไปที่มาต้นต่อที่ไปที่มาจริงๆพระเจ้าประเส็นเกุศลถ้าก็ทรงองค์อย่างนั้นอ่ะธนาที่เวนิกาเศษฐีถ้าก็แต่งตัวอย่างนั้น่ะ มันไม่ใช่มุ่งประดับประดาแบบและเมิงละครนแต่นั้นเอง<ช>นะฮะคือคือมันไม่ใช่ถึงกระแตกอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นน ะ, ะ <c oughs> เป็นวิถีชีวิตโยมถูกต้องฮะที่โยมเข้าใจมาถูกต้องมันเป็นวิถีชีวิตเฉยแต่ถ้าเราแยกแยกประเภทเนี่ยนะฮะหมายความมันธรรมะอย่างหนึ่งคือหน้าที่ <c oughs> ที่เราจะต้องทําตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นธรรมะประการหน้าที่นี้เป็นหน้าที่โดยกําเนิดอย่างหนึ่งเป็นหน้าที่ตามที่เราเป็น เช่นอาจารย์ต้องทําหน้าที่ของสามีในกรณีที่เป็นสามีถ้าอาจารย์ไม่มีพัญญาอาจารย์ไม่ต้องทําครับเจอมั้ยฮะอาจารย์ต้องทําหน้าที่ครูในฐานะที่เป็นครูแต่ถ้าอาจารย์เป็นชานาอาจารย์ไม่ต้องทําหน้าที่ครูอันเนี้ยคือคือคือคือตามที่เราเป็นน่ะเราเป็นในแต่ละขณะที่เราเป็นน่ะหรืออย่างหนึ่งธรรมะที่เป็นคุณธรรมที่เขาบอกว่าสติสัมปชัญญะมีอุปการะมาก ถ้าเราขาดสติสัมปญัญญะแล้วจะเป็นอันตรายนี่คือกรรมเลยห<อ>มายความว่าคุณรับผิดชอบเองแต่คุณขับรถคุณไม่มีสติแล้วคุณก็เกิดอุบัติเหตุคุณรับผิดชอบเองนกันครันเป็นกรรมก็คุณเอง <laughs> <c oughs> ครับ ค, คือต้องแยกให้ออกธรรมะเก็เรียกว่ากลุ่มเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคุณธรรมห<อ>มายความพระเจ้าทรงแสดงในฐานะที่เป็นคุณก็เป็นโทษครับชี้ทางบรรเทาทุกข์ขี้สุขเกษมสารับบอกไว้ทั้งสองทาง ถ้าทุกข์แล้วก็ทุกข์จริงถ้าคุณไม่บันเทาแล้วคุณก็ทุกข์จริง ค, รคุณอยากทุกข์กเอาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะะคือไม่ในพระพุทธศาสนาไม่มีคําว่าห้ามไม่มีคําวยาไม่มีคำว่าไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้อย่างเงี้ยคือคือคื อ, คอเราไม่มีาศาสนาไม่มีสิทธิ์ไป <c oughs> สั่งคนอย่างงั้นหรอแต่ทีนเราพูดกันจนจนจนยุ่งไปอย่งางไรับ 022413315นะครับ022413315กำลังรอรับทุกสายอยู่นะครับแฟนรายการท่านหนึ่งโทรศัพท์มาสอบถามเขาชุกอาจารย์ครับบอกว่าออพอดีมีอายุมากแล้วแล้วเนื่องจากว่าตอนเช้าต้องรอตักบาตรทุกเช้าและบางเอิญบ้า น, นยอยู่ไกลาจากถนนนิดนึงนะครับแล้วไม่สามารถที่จะไปรอรอพระได้เถามว่าถ้าทำยังไงถึง ท่านจะมีโอกาสไหมครับว่ากาบนิมนต์ท่านก่อนแล้วพอท่านมาถึงท่านกดออดหรือสั่นกระดิ่งนี่จะผิดวินัยส่งหรือเปล่าด้วยที่จะไม่ไม่ล่ะครับนิมนต์นิมนต์รับประจำนิมนต์รับประจำครับท่านใช่แล้วก็บอกท่านบอกว่ามาถึงก็ช่วกดออดหน่อยอดได้ไม่ได้แปลอะไรอันนี้มันโตลงกันเราเขากลัวมากเลยครับเลยเราฝากเราด้วยกันครับเก่งว่าจะไม่สมควรครับผมงั้นก็สบายใจได้เลยนะครับแต่ายการที่สอบถามมานะครับก็ที่จริงก็ควรจะปิดประตูไว้อ่ะครับ แล้วแม้แต่กดออดโยงมาดูด้วยก่อนแล้วกันใช่พระที่นิมนต์หรือเปล่าครับใช่ครับผมขอบคุณท่านอาจารย์ครับสายที่เก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามอะไรนะครับครับผม a l ครับสอบถามได้เลยครับครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะเขาได้จัดเอ่อมารำเรื่างการป้องกันการฆ่าตัวตายของโรคนนะฮะครับผมแล้วเขาก็ทําสถิติออกมาซึ่งกน่าตกใจว่า ประเทศที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดคือศรีลังกาครับศรีลังกาเนี่ยนับถือพูทศาสนาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วทำไมมันจึงการจะเป็นอย่างนั้นไปได้นะอันนี้นี้ผมผมฟังเขาทาไมสถิติออกมานะครับครับคือการชี้แจงเหล่านะครับผมผมไม่ทราบทางลุนเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับ คือลังกาเนี่ยมันเป็นพูดประมาณสักหกสิเปนนั่นเองหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่หนึกสิบเจ็ดหกสิบปดอะไรแต่เนี้ยนั่นนั้นก็เป็นอิสลามเป็นคริสเป็นซิกเป็นคือครบเหมือนกับไทยอะ่ะแต่ว่าตัวเลขของฮิน ด, ดูเนี่ยค่อนข้างสูงนะพวกทมินเนี่ยเป็นส่นใหญ่ก็จะเป็นฮิน ด, ดูครับตอนเหนือนะฮะตอนเหนือที่ลงมาจากทมินนาดูอะ่ะก็ คิดเปอร์เซ็นต์มั้ง <laughs> ใช่ไหมคนลังกาคนก็ใจร้อยคนค น, คนนิดเดียวก็แสดงคิด<ช>เปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์มันเป็นภาวะเครียดเพราะว่าพวกทมินอิรามเนี่ยนะฮะ <s uk ur> เขาก่อกวนอยู่เรื่อยครับ<ช>ก็คล้ายๆคนมาปักได้เนี่ยก็เครียดสามจังหวัดภัคใต้นะฮะ<ช>เครียดเพราะว่าถูกก่อกวนอยู่เรื่อย<ช>ก็อาจจะบีบคั้นนางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองครับ แล้วก็ทางชาติพันธุ์ทางศาสนาอะไรต่างๆหลายเรื่ององันนี้มันก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องศึกษารายละเอียดมากกว่านั้นครับุณเจครับแฟนรายการอีกท่านหนึ่งก็โทรมาสอบถามไว้ว่ากรณีพระที่ภาคใต้ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้นะครับถ้าเราจะส่งปัจจัยทางานอาหารแห้งไปให้ทางวัด <c oughs> จะติดต่อได้ที่ไหนบ้ า, างครับท่านหรือว่าไปที่ก็ที่จริงพวกเราก็กําลังเตรียมเตรียมการนะฮนะกำลังเตรียมการจะทําครับท่านครับ ก็คิดว่าจะคือคือตอนนี้ประสานมาประสานกับทางจังหวัดภาคใต้สอบถามว่าเอาคุณพูดสรุปที่สุดว่าปัญหาภาคใต้เนี้คือที่คุณต้องการคืออะไรครับผมแกบอกว่าต้องการความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินครับอย่างอื่นไม่ต้องมาช่วยกขหรอกเขามีลองกองเขามีทุเรียนเขามีสตอเขามีอะไรเยอะพืชสวนพืชไร่เขา เก็บเกี่ยวพืชผลเขาไม่ได้แต่นั้นเองอแล้วก็ทําให้เขาขายไม่ได้ะแล้วคนจะรับซื้อก็ไม่กล้าเข้าไปปัญหาเข้าที่เขาต้องการจริงๆคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐไม่ต้องเอาเงินอะไรไปให้ก็ลอกครั บ, รบอกก็อยู่เขาได้ครัเขาพูดง่ายดีนะฮะ <laughs> แต่เนี้ยเราจะเห็นว่าปัญหานี้มันก็ รัฐเองก็ยังสับสนคือวิธีแจกของเนี่ยวันก่อนพระพวกไปแจกปรากฏว่าเอาไว้ที่วัดนิโรธสังคารามไม่ได้ไม่มีที่เก็บมนันล้นอ้อล้นเลยนะครับเฮ้ <ไป S 2> เอาไว้ที่นราธิวาสเนี่ยคือของเนี่ยคืออาจารย์ต้องรู้อย่างว่าในอุปติภัยในลักษณะนี้นะะภายในระยะเวลาสี่ห้าเดือนเนี่ยอย่าไปยุ่งเลยของลน้นครับผมเราต้องรอให้ววก่อนแล้วก็ประสาน<อ>พื้นที่ อยางมาไปแจกของพวกน้ําท่วมเนี่ยเราคุยกับเจ้าคณะจังหวัดก่อนท่านลองสำรวจ ด, ดูซิว่าเราควรจะแจกอะไรครับนะท่านบอกตอนนี้ต้องการเรือนะอา้าวเราก็เรือไปให้ตอนนี้ต้องการซ่วมเราเอาซ่วมไปให้อนะก็แล้วแต่ครั บ, ค, รบคื อ, ค, อคือเรานึกดูทั้งาการแจกผ้าสมัยสูนามิเอะ น, นะกองเป็นภูเขาเลยครับผม ผ้าเนี่ยมันไม่กี่ผืนเนี่ยนุ่งแต่ว่าห้องช่วมเนี่ยก็ต้องใช้ทุกวันแต่ว่าเรือเนี่ยก็ต้องใช้ทุกวันครับงั้นเราอาหารเนี่ยที่เราเอาไปน้อยก็ศูนย์ศูนย์เปิดศูนย์เรื่อะไรขึ้นมาถามจุดเดือดที่ว่าต่อครับแล้วเราก็วัดเทพก็ที่วัดเทพีลาอ่าทุกวันก็ยังเปิดอยู่เยอะเปิดอยู่เลยครับเปิดครับผมขอบคุณที่คุณจักครับสายที่สิบครับสวัสดีครับ ครับรบกวนพูดดังๆนิดหนึงนะครับครับครับผมครับสอบถามได้เลยครับจะสอบถามเกี่ยวกับกรณีของพระพิสุณีนะครับครับผมว่ามีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็ปัจจุบันที่มีบางคนมาประกาศตนว่มเป็นพระพิกสุณีที่ยังยังมีอยู่ครับครับท่านพระคอาจารย์มีความคิดเห็นเร่องไงบ้างครับและข้อเป็จจริงเป็นยังไรบ้างครับครับครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับคือคือประเด็นที่เราต้องจับเป็นนะ มันเป็นมิติทางประวัติศาสตร์ปัญหาตรงนี้มันมันมันเป็นปัญหาข้อแท้จริงในแง่ของประวัติศาสตร์ว่าตอนพระโสณะพระอุตระกับ พ, กพวกมาเผยแผ่ตรงเนี้ยที่สวรณภูมิเนี่ยไม่มีภิกษุณีมาด้วยเพราะงานการบวชครั้งแรกที่ดินแดนแถบนี้ทั้งหมดหรือสวรณภูมิทั้งหมดเนี่ยมันก็บวชพวกผู้หญิงรสาสีแปดคือแม่ชีนี่แหละครับเราไม่มีมาตั้งแต่ต้น ทีนี้ที่ลังกาเนี่ยที่มีก็ที่เห็นเ้าร่องรอยจริงๆเนี่ยมันก็มีประมาณปศห้ารอยได้ยินชื่อภิกษุณีอยู่นะฮะแล้วก็น้อยแล้วจํานวนน้อยแล้วแล้วก็ระยะหลังนี่เราอย่าลืมว่าทั้งปลาทั้งเนรทั้งอะไรทั้งหมดนี่เหลือเนรอยู่องค์เดียวครับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกศปัญหาว่าภิกษุณีมเกิดขึ้นในลังกาได้ยังไงในเมื่อไม่มีการสื่อต่ อ, อ เวลาเนี้ยเขก็ไปอ้างว่าไปอ้างว่ามาจากจีนมาจากหมายาน อ, อ๋อนั่นก็ว่าไปก็เป็นว่าอะไรครับถ้าบวชหมหายานถ้าคุณเชื่อว่าถูกต้องคุณก็บวชแต่ถ้าอย่าลืมว่าภิกษุณีนั้นที่มีปัญหาในประเทศไทยเนี่ยคือแกเรียกร้องให้คณะสงฆ์บวชให้คณะสงฆ์ไทยในบวชให้แต่คณะสงฆ์ไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ไม่มีตำแหน่งที่จะบวชให้ เพราะว่าเธอต้องบวชกับภิกษุณีสง์มาก่อนครับปัญหาว่าเราไม่มีภิกษุณีสงเจ๊ะ <c oughs> ไหมฮะเพราะนั้นพระสงฆ์บวชให้เองไม่ได้บวชก็ไม่เป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยพระวินัย<อ>เมื่อไม่โดไม่ไม่เป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยพระวินัยแล้วก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติหลวงโลกเป็นอันตรายนะฮะครับไม่เป็นสมัมมณีปฏิยานตนว่าเป็นสมัมมณีออืเป็นการปฏิบัติหลวงโลกครับ เพ ง, งั้นพระเลยไม่ยุ่งด้วยคุณทําอะไรทําไปคุณด่าอะไรก็ด่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรอันโมทนาไปแต่ว่าจะให้พระบวชให้พระไม่บวชแต่ว่าคุณถือว่าคุณไปบวชมาจากไต้หวันก็ก็เรื่องของคุณครับคุณบวชมาจากจีนบวชมาจากลังกาก็เป็นเรื่องของคุณคุณรับผิดชอบในกรรมของคุณเองแล้วกันเห้ชอบอ้างเศษรษฐีบุตรเสยชนมันไม่ใช่เรื่องม น, มนุษยเศรษฐีบุตร <c oughs> ชนา ศ, ร <c oughs> าศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับสิเศรษฐีบุครับนนาาศาสนามันอยู่ที่ว่าพระวินัยบัญญัติไว้อย่างไรับก็ท่านั้นครับ คุณจยมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนซึงจึงจึงไม่รู้หมายความเป็นยังไงนี่มันไม่ได้ที่ไหนมันมีสิทธิมนุษยชนบ้างที่อเมริกามีป่ะยกไปตีเพื่อนอยู่ที่อิรักอีมอิกานี่ตานี่เนี่ยนั้นไปอินโดนีเซียปรากฏว่าหกชั่วโมงนะฮะโดนคนอารักขาเนี่ยเป็นหมื่นมื่นทหารตำรวจหกชั่วโมงใช่ น่าดูครับขอบคุณครับที่กดแจ้งครับสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับครับผมครับสอบถามได้เลยครับเออจะขอถามเลยนะครับพอดีเมื่อกี้ผมฟังเรื่องศีลนะฮะครับผมเออมีความคิดว่าสงสัยเส็นแบบผมกันเยอะคือว่ารับถือพระพุทธเจ้าแบบพุทธทางสรณังกัจฉามิธรรมังสราณังกัจฉามิธรรมทางสรณังกัจฉามิแล้วไปไหว้พระพุทธเจ้านะครับ ไหว่ไหว้เขาคิดเป็นไหวแบบพามอะลักษณะนั้นไ่ายแล้วการที่จะได้ธรรมะกลายเป็นโลภะสงสัยก็เป็นแบบนี้เยอะนะฮะเขาจะแก้ยังไงก็ขอตามองทอดครับขอบคุณครับรับปากทางะครับครับครับคือโยมต้องนึกนะว่าคนเนี่ยมันวัยมันต่างกาันวุฒิภาวะเนี่ยมันมันแตกต่างกาันตามปกติแล้วคนก็จะเกาะอิงนะเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยไปไหนแกก็เกาะพ่อแม่ครับ ก็ก็เมื่อเรานับถือไปแล้วใจเราก็จะมีลักษณะเกาะอิงอยู่ก่อนครับซึ่งเป็นธรรมดาพอถึงถึงจุดหนึ่งวุธิภาวะเขาสูงขึ้นเนี่ยเขาจะไม่มีลักษณะบูงสูงอ่อนบอลครับแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนปฏิเสธไม่ได้เหรอปฏิเสธไม่ได้หรอกคือคือเราต้องนึกอย่างที่มาบอกเนี่ยว่าบ้านเนี่ยมันต้องมีราวบันไดแต่ถามว่าทุกคนต้องเกาะราวบันไดไหมเวลาขึ้นลงก็ไม่ครับแต่คนป่วยคนแก่เด็กต้องเกาะ แล้วเราบางวันเราป่วยเราก็ต้องเกาะใช่ <Okay. S 2> ไหมหรือว่าเด็กเล่นตุ๊กตาเงี้ยมันก็ต้องมีตุ๊กตาเงี้ยตามไรที่โลกยังมีเด็กเพราะ น, นั้นเราต้องมองคนอื่นด้วยความเห็นใจแล้วก็ข้าวให้อภัยแล้วก็รอคอยแล้วก็ชื่นชมที่เขายัางเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ก็ดีกว่าพวกที่ไปมองอยู่ตามบาตามภับ <c ười> คือคือคืออย่าไปขีดเส้นนะฮะโยมขีดเส้นไม่ได้หรอกคนเราวุฒิภาวะมันต่างกาันเราเราเเราเส้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ลักษณะการณ์วิบัติมันจะมีการอดตัวยืดยุนยืดหยุนว่าเอานาศีนเนี่ยเห็นไหมศีนพระพุทธเจ้า บ, บัญญัติว่าข้อหนึ่งนี่คืออย่าฆ่าก่อนครับข้อสองอย่าลักทรัพย์ก่อนครัข้อสามอย่าล่วงเกินคู่ครองก็ก่อนครัข้อสีอย่ากโกหกก็ก่อนเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนครับ ไม่ใช่มีเท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่มีเท่านั้นหรอกยังศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าไม่พกปาศจ า, าวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีใจเมตตาอามีหิริโอตปามีใจเมตตาเอนดูมีจิตคิดอนุเคราะห์ไปโน่นแต่เขาไม่พูดหรอกตอ น, น, นแรกครับพอพูดก็ <c oughs> พูดแห้โตหน่อยก็เกิดมันเป็นการไต่บันไดขึ้นนะ คนเราต้องมองกันด้วยความเข้าใจามไม่ใช่ว่าถ้าเราทําได้แล้วคนอื่นต้องทําได้ไม่ใช่นะเราก็ไม่ได้ทำได้ทุกอย่างครับนอื่นเขาเล่นกีฬาเก่งก็ตีกอล์ฟเก่งเราจับมันยอมเป็นเลยเรียก <c oughs> <c oughs> ว่าไง <c oughs> คือคือคื อ, ค อ, คอมันมันมันไม่ได้หรอกมองโลกต้องมีความหลากหลายครับแในโลกที่มันได้สวยงามเนี่ยเพราะมีความหลากหลายอย่างนี้แหละครับ สถานใ้กิจกรรมต่างๆทางศาสนามันก็เอื้อต่อประโยชน์ถ้าเราไปขีดเส้นไว้ระดับหนึ่งแล้วคนปีนไม่ถึงจะทำไงครับก็ไม่ได้เลยครับขอบคุณครับที่สนใจครับ022413315นะครับเม่อสักวันสื่อนี้ครับมีแฟนรายการท่านหนึ่งโทรมาถามนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าวันที่สี่ธันวาคมนะครับ เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพลเอกเสรีผูก้กำมานแฟนอผู้จัดรายการเจ้าของรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิทุมนะครับแล้วเราทําซีดีธรรมะแจกนะครับที่ธรรมานุสตินะครับไม่ทราบว่าปีนี้จะทํำซีดีแจกหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวผมจะได้เรียนสอบถามท่านพลเอกเสรีนะครับว่าวันที่สธันวาคมวันคล้ายวันเกิดท่านพลเอกเสรีนะครับก็จะมีการทําบุญอายุวัฒนามงกลของท่านเช่นเดียวกันนะครับที่บ้านวิภาวดีนะครับก็จะ แฟนรายการหลาท่านว่าจะมีธรรมะแจกหรือไม่นะครับธรรมดุสิยังไงผมจะเรียนถามท่านใ ห, ใ, หให้รับทราบอีกทีหนึ่งนะครับท่านคุณจักรมีแฟนรายการาจดหมายมาครับบอกว่าฟังที่านคุณอาจารย์แล้วศึกซึ้งมากเลยตอนที่การกําหนดจิตก่อนตายเพราะว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีดาราบางคนนะครับอยู่ๆก็ตายไปเลยๆไปเลยถามว่า ถ้าเราจะกินทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับจะเป็นจังหับให้เป็นเป็นปนิจสิทิ์เลยเพื่อให้จิตมันเกาะตรงนี้ครับจะต้องทําก <inde, S 2> ็ดีดีที่สุดคือคือคือเอา ม, มาว่านอนเนี่ยนอนนอนนอนอนหง า, ายวางมือให้ปกติแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธครับก่อนนั่นก็สวดมนต์ซะหน่อยแล้วก็นอนดูที่พุทโธดูที่ลมหายใจครับดาบตอนไหนก็ช่างมันเนี่ยเราก็ตายอยู่แล้วแต่ว่าตายยังมีสติตายไง ตายยังมีสติตายเพราะจิตมันอยู่กับผู้โทรได้เนี่ยก็แสดงว่าตายก็ไม่ต้องกลัวหรอกได้พบชาติปณะชีตขึ้นเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากกระต๊อบขึ้นมาอยู่ประชารับไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรจะมาคนดีนะครับครับครับแฟนรายการก็สอบถามไปเช่นเดียวกันนะครับศูนย์เจ้าสัพุทธศาสนาตอนนี้นะครับอยากจะร่วมทำบุญในการจงรักครับ ก็ที่จริงก็สามารถทําที่ศูนย์ได้นะแล้วก็ที่หมหาวิทยาลัยศรีปฐุมกับปุณเอกเสรีบุกมานก็ได้แต่ตอนนี้กําลังรอรอการคํานวณนะฮะรอการคานวณอะไระแบบแบบแปลนต่างๆที่จะก่อสร้างแล้วก็ราคาอะไรต่างๆยังรออยู่ครัปุณเอกเสรีเขารับไปที่จริงเขาบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะฮะจะรู้เรื่องพอดีเขาไปอินเดียครับ ต, ตอนนี้นยังไม่กลับม า, า, มาครับคุณ ในแฟนการถ้าอยากทําบุญนะครับก็เชิญที่วัดบัวบอนนี่กันนะครับก็ที่วัดบัวบอนนี่จะสะดวกมากเลยนะครับในเรื่องของมีใบส่งใบเสร็จนะครับแล้วก็ใบอนุโมทนาอะไรเรียบร้อยเลยนะครับก็เชิญได้ที่วัดบัวบอนเลยนะครับสายที่สิบสองที่ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมครับอย่าพลาดคลิปนะครับโทรแปดหนึ่งสองสองหนึ่งสามเก้า โทรแปดหนึ่งสองหนึ่งสามเก้านะครับที่ศูนย์งเสริมที่วัดบวรเลยนะครับไปที่วัดบวรจะสะดวกกว่านะครับแนะนอนครับก็มีไปเป็นบทนาเรียบร้อยครับผมสายที่สิบสองครับผมสวัสดีครับครับครับครับลบลบกวนพูดดังๆนิดหนึ่งนะครับครับผมครับอยากอยากทราบว่าว่สองวันก่อนอ่าลบกวนเดี๋ยวเดยนะครับหลีกวิจิตรทางบ้านนิดนึงก่อนนะครับเสียงกล้องครับครับผมครับ ผมอยากจะ <c oughs> ทราบว่าค <c oughs> รับเอเมื่อวานก่อนผมไปดูดวงกับเอกับคนที่ยุติธรรมนะฮะครับ <c oughs> แต่แต่แต่เขาคงคงไม่ใช่หมอหรอกฮะอันนี้ผมอยากจะทราบว่าดวงเนี่ยเขาดูเป็นเลขไงฮะดูเป็นเลข เ, เลยคือผมบอกว่าอย่างกับผมเกิดเอดันจนันเขาก็เขียนเป็นเลขสองอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปตีตาราง แล้วมันไปตกเลขห้ามาถึงทุกหบอกเอเอดวงคุณจะต้องเป็นงนันเป็นอย่างนี้ที่มาม อ, อยากถามท่านอาจารย์ว่าใช่ไหมพวกคนเราอยู่ที่เราครับอะไรทํานทไรอย่างนี้ตลอดชีวิตอะไรเงี้ย <c oughs> ตัวเลขจะกําหนดชีวิตนะครับครับแต่ท่านจะตื่นจ ะ, จะต่อให้นะครับอยากจะถามดวงมันมีแค่นั้นเหรอครับขอบคุณมากขอบคุณมากครั บ, ค, รบคือมันเวรนี้ศาสตร์นี่มันก้าวหน้าไปเยอะแต่ที่โยมพูดมันเป็นกราฟนะฮะครับผม อย่างคราฟชีวิตก็เป็นวิชาเกี่ยวกับสถิติอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ผิดร้อยเปอร์เซนตหรอกแต่ว่าโอกาสถูกได้มีน้อยเพราะงั้นก็ถ้าไม่ดูได้แล้วก็ดีนะามาเคยทดสอบพระโยมดูอะโยมก็ขอยช่วยดูเลิกผานาทีอะไรแต่อะไอต่างๆมาก่อนพระเป็นหมอดูอยู่ที่วัตรตั้งสามรูปมาก็ขอยดูทั้งสามรูปเนี่แล้วก็เอาที่แกถ่ายให้ทั้งสามอันนั่นแหละโบโยมไปดูแล้วกันคือไม่ไม่ตรงกันหรอก คือมันอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรากดียามดีขณะดีครู ด, ดีอยู่ที่การกระทาดี <notor iety> คุณทําดีเมื่อไหรคุณก็ดีเมื่อนั้นแหละโชคดีไม่ได้อยู่ที่ที่ที่ดวงหรอกนะถ้าถ้าอยู่ที่ดวงสมมุติเราไปลักขโมยเขาแล้วก็ทําให้เราจเจริญขึ้นมามันก็แปลกแล้วละกะักขโมยก็ติดคุกคใช่ไหมหรือว่าตีหัวคนเนี่ยก็ติดคุกอ่ะ สมมติเลิกมหาถโนแห่งเลิก อ, อย่างนี้เราไปตีหัวคนใช่ไหมครับผมมันก็ติดคุก ค, คือเราสูญเสียเวลาสูญเสียโอกาสในการปฏิบัติตนเองคือถ้าเราเครารพกฎของกรรมตามที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยพยายามทำตนเป็นคนดีเอาไว้เนี่ยดวงมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเนะยใครจะว่ายังไงเนี่ยให้หมอถ่ายสิบคนโยมทดลองดูก็ได้นะฮะ หมายถ่ายเราสิบคนหนึ่งล้วไม่ตรงกันหรอกครับผมแต่จัดสมุดสาครเมื่อกี้ฝากคาถามไว้หลังใหม่นะครับท่านทหสจรพุธรับไว้ถามว่าคําว่าไปตักบาตรกัไปใส่บาตรเนี่ยถ้าจะพูดให้ถูกต้องตามหลักการพุทศาสนาใช้คําไหนถึงจะถูกต้องครับท่านอาครับก็ที่จริงมันมันมันตักบาตรเนี่ยหมายความมาตักจากพระเจ้าเราแล้วไปใส่ในบาตรครับแต่ตามปกติก็เรียกใส่บาตรครับเจอไหมฮะเพราะจริงๆเรา เราตักนั่นก็ตักจากภาฒนะของเราใช่ครับะเวลาเรากักระบาดที่เราใส่เลาใส่เราใส่เราไม่ได้ตักจากบาดครับทีนี้มันมันอะไร่ะเป็นภาษาปากภาษาปากพูดกันจนถือว่าก็ฟังได้ครับฟังได้ด้วยกันดังนั้นแต่ถ้าเอาจริงๆนะลักษณะกิริยาเนี่ยมันจะตักกันครับออืก็ใช้ได้ทั้งสองคำนะครับฮะคือคือปกติเขาจะใส่บาทใส่บาทนะครับทําบุญใส่บาทหรือทําบุญตักบาทรวบขันอะไรต่ออะไรคือมันเป็นภาษาปาก ภาษาพูดค ร, <Okay. S 1> ครับัรท่านอาธิการบดีท่านดรจีพรเคยสอนผมไว้นะครับว่าขณะที่ตักบาตรเนี่ยใส่ใส่บาตรเนี่ยท่านอาจารย์จะกําหนดจิตแล้วก็พยายามที่จะระลึกถึงเรื่องบุญกุศล ต, ต่างๆไว้ขณะที่ใส่ลงไปเนี่ยครับเพราะรบางคนเดี๋ยวนี้หลายๆท่านเนี่ยตักอะไรใส่บาตรเนี่ยชอบเอาอาหารอาหารสําเร็จนะครับวางบนบาตอรอางคนเลยใช่ครับผมนี่ถูกต้องไหมครับท่านผู้ครับที่จริงควรจะใส่ที่บาตร แต่เวรนี้มันก็เกิดเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะนะของรุงรังพวกเนี้ยมันมันก็ทําให้พระถ้าพูดถึงบินดาบะตามปกติถ้าว่าท่านไม่เอามาของมาใส่ย่ามบ้างแลยไม่พอฉันนะอาจารย์นะต้องซ้ําอันหมดแล้วฮะอ๋อใช่ครับแล้วมันมีตะลมอ่ะในถุงอ่ะแต่รู้สึกว่าบรรจุภัณฑ์จะเยอะไปหน่อยใช่ใชคือวิธีการบริหารจัดการอย่างเงี้ยมันดูคล้ายๆสะดวกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพอพอแก้วมาแล้วเหลือนิดเดียวใช่ครับ เพราะงั้นโยมที่บ่นบางทีว่าพระทำไมต้องใส่ย่ามทำไมถึงถึงมีใส่ถุงอะไรแต่ไรเพราะมันไม่พอฉนัน <c oughs> แล้วก็ต้องตอบฉสีองศรัทธาของโยมด้วย <c oughs> คือคนตักบาตรมันเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าบาตรก็คือบาตรเลย <c oughs> นะบาตรก็คือบาตรเลยแล้วก็วัดที่มาอยู่ต่างต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่ตักข้าวไม่จะตักกลับมา<อ>คือเขาจะตักเฉพาะข้าว เพราะฉะนเราจะรับบาทเต็มข้าวเต็มบาทมาเลย <Tra u S 2> แล้วเสร็จแล้วกลับมาก็จะมีลูกหลานเข้ามาส่งบินโตอครับส่งบินโดที่หลังครับขอบคุณคับที่นจะสายที่จุดสี่มารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องรีุเื้อรายการนะครับไปขึ้นรคันกระตุ้นการเลยนะครับผมอากถามคํามัก็กๆเลยนะคะครับผมตัว กุยกันชา้เราอินฟินเนีร์นะตรงนี้มันอยู่จับอยู่ในนักชะของสิงห์ก้าวห้าหรือตาครับเพื่อนอธิบาหน่อยนะครับครับครับขอบคุณครั บ, รบเดี๋ยวโยมต้องแยกใครออกอะไฟิน เ, นเนฟินไปด้วย <laughs> ไม่ได้ <laughs> ค, คือคือสรุปว่าแอนกอคอมีความเข้มข้นถ้าตำกว่าเมรัยแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับีมรัยก็ แนวแนวคล้ายสาธโผมเนี่ยนะครับระดับระดับนั้นนะนะฮะอย่างอย่างที่เรานับไปกี่เปอร์เซ็นต์วันก่อนอ่ะใช่ครับแล้วถ้าเกินอย่างนั้นมันมันไม่ได้เลยนะไม่ได้ก็จะวัดกันตรงนี้ทีนี้ไอหมากพลูบุรีเนี่ยเป็นของรับแขกของไทยสมัยโบราณครับแล้วบุรีที่เราว่ามันก็ไม่ใช่บุรีอย่างนี้ใช่ไหมฮะบุรียาเส้นนะแต่นี้บุรีมันก็เปลี่ยนไปเวลานี้ทางโยมเองก็เลิกไปแล้วนะก็ยังไม่เคย ไม่เคยพบเจอบางแห่งในเจอหมากบ้างมากบางใช่ครับหมากไม่เจอบ้างบุรีในที่นิยมบุรีหายไปแล้วฮะครับผมเฮโรอีนสินอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ไม่ได้เข้าสินค้าผิดเลยผิดเลยผิดเลยแล้วมันไม่ใช่ถ้าเฮโรอีนล้มติดคุกด้วยพคนท่องจตุรามีรยะนะครับใช่จ้าคือคือเกณฑ์มาตรฐานสมัยนั้นมันมีเฉพาะสุรากับมีไรครับพวกเครื่องดองทั้งหลายเนี่ยถ้าต่ํากว่านั้นก็ไม่ว่าอะไรกัน ครับผมก็ทำได้ครับขอคาถามสุดท้ายนะครับสวัสดีครับเปืนอนการครับสวัสดีครับครับผมสมัสทายหลวงพ่อด้วยนะครับเรอยากถามว่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธิยาให้เป็นกฎหมายนั่นเป็นยังไงบ้างแลวเราชาวพุทธเราจะทำได้ จะทำยังไงได้ด้วยต่อครับผมครับรับฟังทางวิทยุนะครับขอบพระคุณมากครับปรฏิษส์สุดท้ายครับท่านครับก็กําลังประสานกันอยู่นะฮะประสานกันอยู่แต่ว่าตอนนี้มันสมัชชาอะไรยังไม่เกิดนะฮะพูดร่อรางรัฐธรรมนูญก็ต้องรอต้องรอทิศทางดูกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนคือหมายความว่าอเป็นเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ต้องรู้เขารู้เรานะฮะ แ ล, แล้วเมื่อภาพของสมัชชาที่จะมาเป็นผู้ร่างรัฐมนูญอย่างไม่ชัดเจนเนี่ยเรายัางเราก็เตรียมตัวครับวนนี้ก็ที่จริงก็เตรียมตัวครับที่จะมีการเสนอเรื่องเหล่านี้ครันะพับวันนี้ก็พรรคพวกก็ไปไปเสนอแล้วยังไม่ทราบนะ <c oughs> คือเราเสนอเรื่องข้อเสนอที่แะไคมชอเขาจะให้แก้ปัญหาภรรคได้สีข้อ อันนี้มันตั้งแต่อับดุลการเดมาแล้วอับดุลการเดหายีซูลหลงจนถึงเนียทุกวันนี่แหละเพราะฉะนั้นมันวิธีใช้คำหลบเฉยเฉยครับรัะฉะนคนไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ภาคใต้แล้วก็แย่เลยครับผมสี่ข้อนี้ถ้ายอมแล้วก็เสร็จประเทศไทยจะเป็นเขตปกครองพิเศษภายในไม่เกินห้าปี อันตรายมากครับขอบคุณท่านผู้ใจครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิรทุมขอกราบขอบพระคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหานะครับหลายท่านที่โทรเข้ามาไม่ได้ก็เขียนจดหมายมานะครับที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิรทุม600ประคนโยธินจตุจักรกรุงเทพ1900ครับวันนี้ขอได้รับฟังจากท่านพลเอกเสรีผู้กมานครับขอความเจริญยิธรรมมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านขอกราบสวัสดีครับ